แนะนำบทกอฟบทนี้เป็นบทมักกียะมี 45 องก์ที่พูดถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับหลักการศรัทธาในอิสลามในขอบเขตจํากัดที่สําคัญสําคัญเช่นความเป็นเอกภาพศาลการฟื้นคืนชีพบทนี้เน้นด้วยปัญหาหลักที่พวกปฏิเสธชาวกุเรชได้ปฏิเสธบทนี้ได้กล่าวเตือนชาวกุเรชที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพให้หันมาพิจารณาถึงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์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 ซึ่งพวกบูชาจเวตได้ปฏิเสธในเรื่องนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอออฟวัลกุรอานิลมะญีดกาฟขอสาบานด้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติดัลอะญีบุอันญะ قال الكافرون هذا شيء عجيب تىว่าพวกเค้าประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนคนหนึ่งจากหมู่พวกเค้าได้มายังพวกเค้า ดังนั้นพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่านี่มันเป็นเรื่องประหลาดจริงๆ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ เมื่อเราตายและกลายเป็นดินไปแล้วจะกลับมีชีวิตอีกกระนั้นหรือนั่นเป็นการกลับที่ไกลเหลือเกินอัลลอฮุอาลีมนามะตันกุศุลอัซมินฮุมวะอินดะนากิตาบุนฮะฟิซแน่นอนเรารู้ดีว่ากี่มากน้อยแล้วที่แผ่นดินทําให้พวกเขามีจํานวนลดน้อยลงและหน้าที่เรานั้นมีบันทึกถูกเก็บรักษาไว้ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج တဲဝါဘုကောပတိဆက်ကွမ်ဂျင်းတန်ဟာမွမ်မန်ဒေးမီမာယန်ဖွါခေါဒန်နန်ဖွါခေါဂျင်းယူနိုင်စာဖာပ်티စပ်စົນအဖလမ်ယုဇရူအီလဆမာအီဖောကုမ်ကိုင်ဖဘလိုင်နာဟာ ਕੈਫ ਬਲੈਨਾਹਾ ਵਜ਼ੈਨਾਹਾ ਵਮਾ ਲਹਾ ਮਿਨ ਫੁਰੂਜ ພວກເຂົາ ਮੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੋਂ ਪੈ ਯੰ ਫਾਕ ਫਾਨ ਨੂਆ ພວກເຂົາ ਡੌਕ ਰਿਵਾ ਰਾਉ ਦੇ ਸਾਂਗ ਮਨ ਲੇ ਪ੍ਰਦਬ ਮਨ ਵਾਇ ਯੰ ਵਾ ਲੈ ਮਨ ਮੈ ਮਿ ਰੋਇ ਰਾਉ ਰੀ ਚੋਂਗ ਹੋ ਲੇ ਵਲ ਅਫਦ ਮਦਦਨਾਹਾ ਵਲ ਕਾਇਨਾ ਫੀਹਾ ਰਵਾਸੀ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ เพื่อเป็นที่สังเกตและเป็นข้อเตือนให้ระลึกแก่บ่าวทุกคนที่สํานึกผิดวะนะซซะนามินัสซะมาอ์มะบารอกันฟะอันบัตนาฟอันบัตนาบิฮิจันนาตินวะหับัลฮะศีดและเราได้น้ําฝนหลั่งลงมาจากฟ้าฟ้าเป็นความจําเริญแก่มนุษย์ แล้วเราได้งอกเงยออกมาด้วยน้ําฝนนั้นเป็นสวนอันหลากหลายและเป็นเมล็ดพืชสําหรับเก็บเกี่ยววัลนัคละบาซิกอติลลาฮาตอลอุนนะดีดและต้นอินทผลัมที่สูงตระหง่านลําต้นของมันมีพวงย้อยลงมามีผลซ้อนกันเป็นตับ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 ได้ปฏิเสธมาก่อนหน้าพวกเขาแล้วและชาวรอสกลุ่มชนของนบีชุอายและสมุสวะอาดุวะฟิรอาวนุวะอิควานุลุฏและอัดและฟิรอาวและพี่น้องของลูฏวัลอห์ซาบุลไอกะติวะกอมุตับทุกุลกัซซะบะซุนะฮ์ฮักกะวะอีนิดและชาวป่าทึบและกลุ่มชนของ तो ब พวกเรานั้นทั้งหมดได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตดังนั้นสัญญาลงโทษของเราจึงเหมาะสมคู่ควรแก่พวกเราเราได้เหน็ดเหนื่อยในการสร้างครั้งแรกกระนั้นหรือเปล่าเลย แต่ว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยต่อการสร้างครั้งใหม่ทั้งฮะ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ และความจริงเราได้บังเกิดมนุษย์มาและเรารู้ดียิ่งถึงจิตใจที่กระซิบกระซาบแก่เขาแล้วเรานั้นใกล้ชิดเขายิ่งกว่าเส้นเลือดสู่หัวใจของเขาสิ ايه ذا لاقل المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد จงระลึกขณะที่มลาอิกะห์ผู้บันทึก 2 ท่านบันทึกท่านหนึ่งนั่งทางด้านขวาอีกท่านหนึ่งนั่งทางด้านซ้าย ما يلفظ من قول الا لديه رقيب ناطق ไม่มีคําพูดใดที่เขากล่าวออก ผู้เฝ้าติดตามผู้เตรียมพร้อมที่จะบันทึกวะจาตสคระตุลเมาตุบิลฮักดาลิกมากุนตะมินฮุตะฮีดละการมึนงงแห่งความตายได้ปรากฏขึ้นอย่างประจักษ์แจ้งและนั่นคือสิ่งที่เจ้าจะหลีกเลี่ยงจากมันไปไม่ได้วะนูฟิคอฟิซซูดาลิกยอมุลวะอีนิดละสังจะถูกเป่าขึ้น นั่นคือวันแห่งสัญญาการลงโทษ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ และทุกๆชีวิตจะมาพร้อมกับเขาคือมะลักผู้นำทางและมะลักผู้เป็นพยาน لَقَدْ แล كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَكَشَفْنَا عَنْ كِغْطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ โดยแน่นอนเจ้าไม่สนใจต่อเรื่องนี้ ที่ข้าพรุ่งแล้วอัน قي في جهنم ما كل كفار عنيد เจ้าทั้งสองจงโยนทุกคนที่ปฏิเสธศรัทธาและดื้อรั้นลงในนรกยาฮันมัน نع للخير معتد مريب ผู้ขัดขวางการทําดีผู้ฝ่าฝืนผู้สงสัย الذي جعل مع الله الهًا آخر فألقياهُ في العذاب الشديد ซึ่งเป็นผู้ตั้งพระเจ้าอื่นผู้เคียงกับอัลเลาะห์ดังนั้นเจ้าจงโยนเค้าสู่การลงโทษอันดุเดือดเถิด อَلَقَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ สาหายของเขาคือไสตนกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราฉันไม่ได้ทําให้เขาหลงผิดแต่ถ้าว่าเขาได้อยู่ในการหลงผิดอันไกลลิพย์มาก่อนแล้วโปร่งตรัสว่าพวกเจ้าอย่าได้มาโต้เถียงต่อหน้าข้าเลยความจริงข้าได้เตือนพวกเจ้ามาก่อนหน้านี้แล้ว ما يبدل القول لدي وما انا بظلام من العابد فدํดัด ของข้าจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงและข้าไม่ได้เป็นผู้อยุธยาธรรมต่อปวงบ่าวเลย يوم نقول لجهنم مهل ام تلات وتقول هل من مزيد วันที่เราจะกล่าวแก่นรกยานนามว่าเจ้าเต็มแล้วหรือ แล้วมันจะกล่าวว่ายังมีเพิ่มอีกไหม wa usli fatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id แล้วสวนสวรรค์จะถูกนํามาให้ใกล้แก่บรรดาผู้ยำเกรงซึ่งมันไม่ได้อยู่ไกลเลย hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiyad นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้ทุกคนที่สำนึกผิดเป็นผู้รักษาบัญญัติของอัลเลาะห์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 هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص راه ได้ทําลายผู้คนไปกี่มากน้อยก่อนหน้าพวกเขาทั้งๆที่พวกเขามีสมรรถภาพเหนือกว่าพวกเขาแล้วพวกเขาได้ออกเดินทางไปตามเมืองต่างๆ พวกเค้ามีทางหนีรอดหรืออินนาฟีฎอลิกะละซิกเราะลิมันกานะละฮูกัลบุนอาวอัลกัสสะมอะวะฮูวะชะฮีดถ้าจริงในกาลนั้นแน่นอนย่อมเป็นข้อตักเตือนแก่ผู้มีหัวใจหรือรับฟังโดยที่เค้ามีความตั้งใจจริงวะละกอดคอละกูนัสซะมาวาติวัลอัรฎอวะมาบัยนะฮูมาฟีซิตตะอัยยามิวะมามัสซะนา وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبَ لِكَوْمْ جِينْ เราได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองในเวลา 6 วันและไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดมาสัมผัสเราตัสบิรอะลามายะกูลูนวะซบิฮฺบิหัมดิร็อบบิกก็อบละตูลูอิลชัมซิวะก็อบละลกุรูบดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธกล่าวถึงและจงแซ่ซ้องด้วยการสรรเสริญ พระผู้อภิบาลของเจ้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและก่อนดวงอาทิตย์ตกและระหว่างกลางคืนก็จงสดุดีพระองค์ด้วยและหลังเวลาซุยุและเจ้าจงฟังวันที่ผู้เรียกร้องจะร้องเรียกจากสถานที่อันใกล้ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صَرْعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ وَالَّذِي فَضَّلُوا عَلَيْهِ بِجَبَّارٍ ذَكِّرْ <تضكِّر> بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ رَأْهُ دِي ยิ่งถึงสิ่งที่พวกเขากล่าวและเจ้านั้นไม่ได้มีอำนาจเหนือพวกเขาดังนั้นเจ้าจงตักเตือนด้วยอัลกุรอานนี้แก่ผู้กลัวต่อสัญญาณการลงโทษของข้าเถิด